เหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลตอนที่สิบสองเหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลหน้าที่76็สบเราก็ขึ้นข้อที่ห3เขาขึ้นหัวข้อว่าเพอ้อฝัน ฝันกลางวันใจลอยภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า daydream คือเหมือนกันหมดนะสรุปโดยคร่าวๆกับเพ้อฝันก็ตามฝันกลางวันก็ตามใจลอยก็ตามเป็นลักษณะอาการเดีย ว, ยวกันหมดบางกรณีเมื่อจริงจังกับปัญหามากเกินไปก็จะนำมาคุ้นคริตนำมาคุ้นคลิต <c oughs> แหมอาตมาก็ลินพันตามไปเลยนะ มันครุ่นแต่ว่าคิดเฉยๆแง่ครุ่นคิดอยู่ในหัวสมองสร้างทางออกอยู่คนเดียวอาจจะซึมหรือนั่งใจลอยบางคนก็นั่งอมยิ้มไปมาสติขาดจากตัวเป็นลักษณะของการลืมตัวชั่วคราวแต่บางคนก็ลืมตลอดชีวิตแหมมันเกินไปไมั้งะ บ้าไม่เรียกใจลอยแล้วไม่เรียกเพ้อฝันแล้วไ ม, ไ, ไม่เรียกฝันกลางวันแล้วถตาลองใจอย่างนั้นตลอดชีวิตเนี่ยมันเรียกไม่เรียกแล้วเขาเลิกเรียกแล้วไอ้อย่างนั้นเขาก็เรียกบ้ากับบ้าไปเลยหลงอย่างนั้นเรียกว่าหลงไปแล้วมันไม่เรียกว่าบ้าแล้วนาการเพ้อฝันนั้น น, น, นักจิตวิทยาก็ได้กล่าวไว้ว่า มันก็มีทั้งประโยชน์และโทษเออการเพอร้อฝันมีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษนะถ้าในแง่ประโยชน์ก็ทําให้ได้ผ่อนคลายใจคลายความเคร่งเครียดบางทีก็เป็นการวางแผนอนาคตและทําให้เกิดความคิดริเริ่มได้เ อ, อ๊จริงหรือเปล่าการเพอร้อฝันอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นประโยชน์คือทําให้ใคลายเครียด มันก็มีส่วนอยู่เหมือนกันนะคือจริงจริงจริงจมันก็อะไรอ่ะคือคนเราจะเพ้อฝันเนี่ยมันหมายถึงว่าจริงๆสิ่งนั้นละเราอาจจะยังทําไม่ได้นะแต่เราคิดเหมือนอย่างกับว่าเราทําได้มันก็ทําให้รู้สึกเหมือนอย่างกับว่าสำเร็จไปแล้วนะในใจฮะไม่สิอันนี้เพ้อฝันเนี่ยก็ฝันไปเหมือนอย่างกับว่าเราทําได้ ใช่มมันก็รู้สึกสุขแต่ทำได้ในฝันไงอ่านก็คลายเครียดได้เหมือนกันเนะ่คลายเครียดในฝันนะช่วงช่วงที่ฝันอยู่นะคลายเครียดได้แต่ถ้าเจอความจริงเมื่อไหร่นะหรือใครมาบอกความจริงเมื่อไหร่หรือเราเองเราเป็นผู้ที่ต้องต้องอะไรอะ่ะต้องเจอกับความจริงนั้นเองเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะมันฝันต่อไม่ได้แล้ว มันฝันต่อไม่ได้แล้วมันพอความจริงปรากฏเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นทันทีคนนั้นก็ทุกทันทีเลยเพราะอะไรเพราะความจริงมันไม่เหมือนที่เพ้อฝันส่วนใหญ่นะความจริงมันมักจะไม่เหมือนที่เพ้อฝันก็มันก็คลายได้เหมือนกันแหละแต่มันคลายแบบมันเหมือนกับคนที่หลอกหลอกตัวเองเข้าใจไหมเหมือนกับคลายแบบหลอกตัวเองหรือเหมือนกับคนที่ปลอบใจตัวเองอ่ะบางที ปลอบใจตัวเองอย่างนั้นอย่างนีทง้ทั้งที่ความเป็นจริงบางทีมันไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคิดหรอกแต่คราวนี้มันทุกข์อ่ะใครจะไปโง่ให้มันทุกข์หรือว่าใครจะไปโง่ที่จะทําให้ตัวเองมันเศร้าหมองมันรู้สึกอะไรเบื่อเซ็งอะไรเงี้ยมันก็ต้องสร้างจินตนาการสร้างความเพอ้อฝันขึ้นมาเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าแหมมันมีชีวิตชีวาขึ้นมีความตื่นเต้นขึ้นมีความรู้สึก อะไรอ่ะเป็นสุขใจขึ้นมาเพราะแง่ที่เป็นประโยชน์นะก็จะเป็นลักษณะ น, นั้นส่วนโทษก็มีคือเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดเชยชาไม่ต่อสู้อุปสรรคอันนี้เขาพูดในแง่โทษโทษของความเพอ้อฝันจริงๆจะว่ากันไปเนี่ยการเพอร้อฝันมันไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือมันพยายามแก้ปัญหาแหละ แต่ว่ามันมันมันจะฝันไปก่อนก่อนไอการที่จะแก้การที่จะไปถึงปลายปลายจุดหมายปลายทางบางคนเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาตรงจุดก็ได้แต่จริงๆบางทีเพิ่งเริ่มลงมือเท่านั้นเองเพิ่งเพิ่งเริ่มลงมือต้นทางแต่ใจตัวเองเนี่ยแหมคิดจะโอ้โหตอนนี้อยู่ตรงกลางทางแล้วอยู่ปลายทางแล้วคือมันเพ้อฝันไปไกลล่วงหน้าทาั้งทั้ที่บางทีเพิ่งลงมือเอง อย่างบางคนนะ่ะเพิ่งจะมาหัดถือศีลห้าอย่างเงี้ยแต่เอาละฟังทำไปหน่อยเริ่มฝันแนละโอ้โเดี๋ยววันนี้โสดาบันเดี๋ยวพรุ่งนี้สกิทาคามมมาลือนี้จากอาจานาคามีมาเรื่องก็อาหารหันพดีสี่วัน <c oughs> แล้วแต่ว่าใครจะเพอ้อฝันยังไงใช่ไหมอาจจะตรงจุดก็ได้แต่ว่ามันมันมันเบอ้อ มันเกินนะเกินจริงจนกระทั่งมันเลยบางทีเนี่ยมันเลยดูเหมือนอย่างว่าไม่มีทางเป็นจริงเลยเข้าใจไหมมันเลยเหมือนไม่มีทางเป็นจริงได้วันโทษของมันที่อันตรายที่สุดก็คืออย่างนี้แหละถ้าเป็นลักษณะอย่างที่ตะกี้อาตมาบอกนะมันจะเป็นเหมือนอภิชปาที่ภาษาเราเราเรียกว่าตัณหามันล้าหน้านะมันมันอยากอยากได้มากเกินไปนี่นี่ยังพูด เพ้อฝันที่ที่ยังมีสภาพเป็นจริงได้นะหมายถึงว่ามีสัมมาทิฐินะเพ้อฝันเพ้อฝันแบบมีสัมมาทิฐิอันนี้อาจมายังไม่พูดเพ้อฝันแบบมิจฉาทิฐินะเพ้อฝันแบบมิจฉาทิฐินี่โอ้โหยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยคือเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเป็นไปได้เลยเข้าใจไหมยิ่งถ้าแบบเพ้อไปอะไรต่ออะไรที่มันมันไม่มีทางอ่ะอย่างเช่นบางทีเด็กเด็ก นะชอบฝันแบบเป็นไอ้กาโมไอ้เป็นไอ้ไอ้มดแดงไอ้มดอะไรเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงอะแล้วมันฝันยังไงัมเด็กชอบฝันด้วยนะโอ้โหยิ่งเห็นไอ้มดมันเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้นีน่นะไอ้อะไรซเปอร์แมนเหาะมหาบินได้อย่างั้นอย่างี้มันมันเป็นเรื่องเพ้อฝัน เข้าใจไหมซึ่งมันมันเป็นจริงไปไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นนะ่ะมันมันไม่มีทางเพอ้อฝันยังไงก็ไม่มีทางเป็นจริงแต่ละกี้ที่ตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่อธิบายยศใหย่เนะี่ยยังถือว่าเพอ้อฝันแบบเป็นจริงได้นะแต่ว่าขีดความสามารถเรายังทําไปไม่ถึงเข้าใจไหมเพราะอธิบายท่านบอกว่ามันจะตรงเป้าตรงประเด็นก็ได้หรือว่าจะไม่ตรงเป้าเลยออกนอกประเด็นไปเลยก็ได้ มีสิทธิ์เพ้อฝันได้ทั้งนั้นแต่ทั้งสองส่วนนี้ที่เป็นโทษเป็นภัยก็คือว่ามักจะหลอกตัวเองและอตาตมาเห็นว่าภัยที่เป็นโทษร้ายแรงที่สุดก็คือว่าเมื่อหลอกตัวเองไปแล้วเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดคือหลงตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่หลงตัวเองเนี่ยมีมากเหมือนกับคนที่หลงว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันมัน่นหลงว่าเป็นพระอริยะ บ, บุคคลเนี่ย นะจนกระทั่งหลงว่าเป็นพระอาหารหันเนี่ยก็มาจากพวกที่เพอ้อฝันจนกระทั่งปฏิบัติ ท, ทําไปด้วยนะคือคือลงมือก็กทําไปด้วยแต่จริงๆแล้วมันทีทำได้มัง่งไม่ได้มัง่งปิดทิศปิดทางมัง่งแต่เพอ้อฝันว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอาหารหัน์ซึ่งจะหนักเข้าหนักเข้าเราถึงเรียกว่าหลงไม่ใช่เพอ้อแล้วนี่มันหลงไปเลยพระเจ้าถึงไม่เอาผิดพวกนี้ถ้าถึงขั้นหลงนะ ไม่ใช่แค่เพอ้อนะเพอ้อนี่มันมันเป็นระดับหนึ่งเท่านั้นเองเป็น น, น้อยๆระดับหนึ่งนะเพอ้อฝันเนี่ยเป็นแค่ระดับหนึ่งช่วงหนึ่งนะหรือว่าอย่างยงในวันหนึ่งเนี่ยเอออาจจะเม่อใจลอยสักหนาที10นาทีหรือสักชั่วโมงนึงอา้าวนะมันก็เพอ้อไปฝันไปจมอยู่ในผวังของตัวเองเนี้ย นึกคิดไปตามที่ใจตัวเองปรารถนานะแต่ว่าจริงๆแล้วคนนี้ยังไม่เป็นอย่า ง, งานั้นแต่ถ้าหนักกันนั้นนี่นะถ้าหลงเมื่อไหร่แล้วคราวนี้นี่คิดว่าตัวเองเป็นจริงๆนี่แหละนะนี่แหละเข้าอาการที่จะจะบ้าจะเพี้ยนไปแล้วหลงจริงๆเชื่อจริงๆวันพวกคนบ้าเนี่ยที่เขาเชื่อว่า เคยเห็นหมังเอา้าเ อ, าเ อ, าเอาในหนังก็ได้ในหนังในละครก็ได้บางทีที่เราดูอ๋อข้าคืออะไรอะ่ะพระพุทธเจ้าเอา้ามีใช่ไหอหรือว่าเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยคนบ้าที่เคยมาที่วัดเราแล้วเขาก็เที่ยวว่าเขาเป็นพระเจ้าเป็นอะไรต่ออะไรมาเนี่ยที่คือคือมันอยู่แต่สายอ่ะนะว่ามาจากสายไหน สายแบบแบบพระเจ้าสายแบบเซียนสายแบบอะไรก็ไปตามนั้นหรือพวกที่ที่เขาบอกว่าเข้าทรงอะ่ะนี่เชื่อไปว่าเป็นกวนอูเป็นรอห่าเป็นเท่งเจียเป็นอะไรหลงไปเลยหลงไปเลยแต่นั้นมันแบบชั่ววูบชั่ววา่าบใช่ไหมไอ้ช่วงที่หลงนั้นก็ที่าตัวเองเป็นจริงๆ นั่นแหละแต่ภาษาเราก็าเรียกว่าเข้าทรงมังอะไรมัง่งก็เชื่อจริงๆไอ้ตอนนั้นน่ะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลย mm hmm. เพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาเป็นเฮงเจียแหละ mm hmm. เขาเป็นกวนอิมหละ mm hmm. เขาเป็น อ, อะไรกั mm hmm. เจ้าพ่อหรือว่าเจ้าแม่อะไรเงี้ย mm hmm. เขาจะเชื่อไปตามนั้นเลยซึ่งอันนี้มั น, ม, นมันเลอะและ้วแต่พวกที่เข้าทรงนี่มันยังแบบอันนี้พูดพวกที่เข้าทรงจริงๆรินะ ไม่ใช่พวกที่หลอกเข้าทรงนะไอของปลอมนะั้นไม่เอานะนี่พูดในระดับว่าเป็นของจริงด้วยคือพวกนี้เนี่ยพูดง่ายว่าจะเข้ารวังไปเลยจิตนี่มันมันสะกดจิตตัวเองจนกระทั่งแบบว่าเชื่อไปเลยว่าหลงไปเลยว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงนะจริงนะจิตวิญญาณของคนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงจริแต่มันมันอยู่ในช่วงเวลาที่ที่คล้ายๆว่ามีเวลาของตัวเองที่กําหนดไว้ พอมันมันอะไรอ่ะหมดแรงสะกดจิตเมื่อไหร่มันหลุดออกมาก็คือเลิกเข้าทรงนั่นเองนะบอกว่าวิญญาณออกไปแล้ววิญญาณทันคนอูออกไปแล้ววิญญาณไอ้หนอยไอ้นี่ออกไปแล้วก็แปลกนะวิญญาณนี่มันเยอะแยะไปหมดคนตายมาตั้งกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนมาแล้วทําไมวิญญาณฮิตเลอร์วิญญาณอะไรไม่มาเข้าคนม้างนะนะเลอ พวกเข้าทรงนี่ก็ชอบเลือกนะเลือกอย่างนั้นเลือกอย่างนี้นะอืมจริงๆริ้าวิญญาณใครถ้ามันมีอยู่ท่วมโลมก็มาเข้าเราได้ทั้งนั้นนะถ้าอย่างนั้นน่ะถูกไหมล่ะแต่ตอนนี้ไม่มันอยู่ที่คนนั้นนะเชื่อคนนั้นเนี่ยจะสะกดจิตตัวเองได้ขนาดไหนอย่างหากเข้าใจไหมจกนกระทั่งเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นคนนั้นจริงๆไม่มีความรู้สึกในจิตแม้แต่นิดเดียวว่าว่าสมมุติสมมุติว่าเป็นชาติอย่างนี้นะ ไม่มีความรู้สึกแม้แต่นิดเดียวเลยว่าค่านี้คือชาติ <c oughs> คือมันเชื่อว่าเป็นเป็นสิ่งที่ตัวเองสะกดจิตให้ ก, กับตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเคยมม้บางครั้งเนี่ยดูหนังเพลินๆะเวลาหนังเนี่ย น, นะเอาละเราดูเพลินๆไปโอ้ยิงพระเอกมีบุกลิกรลีลาหรือว่าอะไรตรงสเปคเราอะนะแล้วเราก็ชอบชอบอยู่บางทีดูไปดูมานี่เพลินๆ ร, ร, รู้สึก แมเหมือนกับเราเป็นพระเอกกันเลยนะในหนังอนะนะ <c oughs> อา้าวจริงๆเคยมากว่าเนี่ยอ้เคยนะไอตอนที่คุณเผลอๆจริงๆนะคุณจะรู้เลยแม้เหมือนกับเราเป็นนางเอกในหนังนะแล้วก็แสดงอยู่มันมันไปละตอนนั้นน่ะนั่นน่ะคือเหมือนกับเดดีเหมือนกับใจลอยเนะี่ยมันไปละเพียงแต่ว่าเรายังพอจะมีสติอยู่เพราะฉนั้นพอมันได้สติภาพมันก็กลับมามันก็ชาด ก, ก็ชาด ก, กลับมาสู่ความเป็นจริงมันก็ไม่ปล่อยให้เลอะเทอะไปอย่างนั้น เพรแต่พวกที่หลงอย่างที่อากจะมาบอกหลงแล้วเล้วเธอเธอหลงตัวเองหลงไปจนกลายเป็นคนอื่นเนี่ยนั่นนหะอาการหนักมากเข้ามาเข้าก็เพี้ยนบ้าเสร็จแล้วเข้าไปยังไงพวกบ้านเนี่ยเขาก็เอาไปเป็นหนักๆก็เออเอาไปช็อตไฟฟ้าไปทําให้มันอะไรอะ่ะตื่นตัวทําให้มันกลับมาสู่ความเป็นจริงของตัวเองเรื่องของเรื่องอนะ่ะ <c oughs> คืออย่าให้หลงว่าไปคิดว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ไปใช่ไนั่นแหละจริงๆก็คือไปช็อตให้มันมาอยู่กับโลกปัจจุบันของตัวเองไม่ใช่ไปไปมัวไปคิดอยู่ว่าตัวเองเป็นคนนั้นเป็นคนโน้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเหล่าที่อากมาเพิ่งยกตัวอย่างว่าบางคนยังยังหลงว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างได้เลยจริงๆนะมันไปจิตมันไปที่ เออโดยเฉพาะพวกนั่งกรรมฐานหรือว่าอะไรที่ที่เขาไปฝึกเนี่ยนะแล้วยิ่งอ่านอ่านหนังสือมาเข้าใจไหมยิ่งเราประทับใจกับกับใครที่เราศรัทธาแล้วเราชื่นชมจะหลงจะหลงไปตามอันนั้นได้มากที่สุดสนั่นแหล ะ, ะจริงๆไม่ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าคําว่าศรัทธาเนี่ยมันหมายถึงว่าจิตเราเนี่ยมันปักมั่นลงไปเข้าใจไหมปักมั่นลงไปในในในสิ่งนั้น ถ้าเราเราศรัท ธ, ธาในอสุภุธนะถ้าเราศรัท ธ, ธาพ่อท่านอสุภุตนะจิตเรามันจะปักบั้นเข้าไปเลยเ<บ>ข้าใจไหมที่พ่อท่านถ้าใครเนี่ยเพียนมากๆเข้าเพียนมากๆเข้าฟังเทศฟังธรรมพ่อท่านมากๆเข้ามากๆเข้าเสร็จแล้วเพียนนะ่ะนะหลงหลงหลหลงหลงไปหลงมาเอาละสักวันหนึ่ง <laughs> ไม่ใช่ดอกไม้ยาบาลสะพัง่งนะสักวันหนึ่งท่านจะคิดว่าท่านก็คือพ่อท่านนั่นแหละ อ่จริงๆถ้ามันมันมันหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้ามันเป็นไปอย่างนั้นเลยมันพวกที่เขากำแตกพวกที่เขาอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นเยอะเพราะว่าเขามีลักษณะจิตอย่างเงี้ยอยู่นะเขาเรียกว่าจิตจิตมันอ่อนจิตมันไม่ใช่จิตอ่อนควรแก่การงานนะจิตอันนี้จิตอ่อนมันคือว่ามันจะไปตามไอ้ที่เราไปยึดเอาไว้อะที่เรายึดอะไรไว้ก็ตามเอ่าคือ อ่อนี่คือมันโดนจูงจิตไปง่ายเข้าใจไหมมันโดนมันโดนจูงจิตไปตามที่ที่ที่อะไรอ่ะที่ที่เรายึดอันนั้นน่ะเพราะนพวกที่จะเข้าทรงเนี่ยบางทีคือพวกที่โดนจูงจิตง่ายเข้าใจไหมอ่าพวกโดนจูงจิตง่ายหรือโดนสะกดง่ายอ่าโดนสะกดง่ายสะกดปั๊บนะอัสสุบด้าพอเขาสะกดใช่ไหมเอาให้หลับให้หลับเอาไปเชื่อเขาทําไมเขาบอกให้หลับก็หลับหลับ มันก็หลับจริงๆเลยนะมันโดนจูงจิตไปเป็นคนที่ที่เชื่อเชื่อคนอื่นได้ได้ง่ายอะ่ะเข้าใจมั่นโดนจูงจิตง่ายไม่รู้จะอธิบา ย, ยางไงพอเขาบอกให้รับให้รับให้รับหลับจริงๆหนะ้าตาค่อยลงลงลงให้เขาสะกดเลยบางทีก็บอกให้ลอยลอยลอ ย, ยจริงๆ <c oughs> มันเป็นไปตามเพราะว่าจริงๆคนเรามันมีพลังพลังจิตมันมีวันพอเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยพลังจิตมันก็มีทําให้บางทีมันทําได้ ตามตามที่ที่เชื่อมั่นนั้นพ่อท่านถึงได้บอกว่าหนังเหนียวนะอยู่ยงคงประทานยิงยิงแทงไม่เข้าอะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่พลังจิตคนนั้นน่ะเชื่อมัน่นมั่นจนกระทั่งเรียกว่าหมายมันยึดมัน่นจนกระทั่งยิงมาแทงมามามเหมือนอย่างกับว่าอะไรอะเหมือนกับมีเหล็กไหลเหมือนกับมีเกราะนี่มาป้องกันไว้เลยทําให้ยิงไม่เข้าแทงไม่เข้า ท, ทั้งทั้งที่ ไอคนนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้มีเหล็กมีอะไรมากันไว้นะก็เนื้อคนดีๆแหละแต่พลังจิตมันสามารถที่จะแปลสภาพจนกระทั่งเหมือนอย่างกับว่ากลายเป็นพลังงานที่จะมาป้องกันมาต้านทานอาวุธไว้ได้มันกลายเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าอยู่ที่ว่าคนนั้นเนี่ยมีจิตที่ยึดมั่นขนาดไหนนะตอนนี้มันต่างกันมันต่างกับอริยะบุคคลจริงๆคนนี้นะ ต่างกันตรงนี้พวกที่ยึดมั่นไปอย่างนั้นไสยศาสตร์มีจริงเข้าใจไหมไสยศาสตร์เนี่ยเพราะท่านบอกว่ามีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่าพลังจิตหรืออํานาจจิตมันมีจริงแต่ที่เป็นไสยศาสตร์นี้เขาเรียกว่าเดรฉายมิชาคือทําไปแล้วเนี่ยจิตก็ยิ่งเวลวร้เนี่ยมันจะทําร้ายตัวเองให้ตัวเองเนี่ยยิ่งโง่แล้วก็ยิ่งมืดยิ่งทึบไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้อาตมาจะบอกว่ามันต่างจากพุท ธ, ธนะพุทธเจ้า ทุจ้าท่านใช้คําว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เ บ, บิกบานเราไม่มีฤทธิ์ที่จะล่องหนหายตัวอะไรอย่างอย่างพวกเดรัจฉานวิชาหรือว่าอะไรต่างๆนะแต่มันมีฤทธิ์ทางใจจริงๆบอกแล้วว่าพลังจิตมันมีจริงอันนี้พลังจิตอย่างของอริยบุคคลนี่มันมีพลังที่มันจะทําให้แบบว่าอะไรไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้สู้กับข้างนอกแต่สู้กับกิเลสเราเองเพราะ หลายคนที่บางทีนี่แทบจะไม่เชื่อเลยว่าอะไรเลิกกินเนื้อสัตว์ได้นะเรามากินมื้อเดียวได้ใช่ไหมนอนน้อยได้เนื้อไม่ใส่รองเท้าได้อะไรเงี้ยไม่ใช่มันมาเจ็บนะเดินก็เจ็บนะอแต่ก็ไม่ใส่รองเท้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นพลังจิตของของความศรัทธาของความเชื่อมัน่นที่เราเห็นเลยว่า มากน้อยสันโดษอย่างนี้แล้วเนี่ยเออมันเป็นสุขเข้าใจไหมมันเป็นสุขทางจิตปัญญาแล้วคนเราก็ทำได้จริงๆอย่างนั้นด้วยไอความศรัทธาความเชื่อมั่นอันเนี้ยนะมันสามารถที่จะทำให้ไอ ก, กิเลส ท, ที่เราไปติดเรื่องกินกิเลสติดเรื่องนอนติดเรื่องกามติดเรื่องอะไรต่างๆที่เราจะไปติดมันเลยโดนทำลายหรือว่าโดนลดลงทาให้น้อยลงทาให้เบาลงจากกิเลส จากจิตเราเนี่ยได้ซึ่งฤทธิ์อย่างนี้อะจริงๆแล้วมันยากกว่านะมันยากกว่าแต่บางทีมันก็ง่ายกว่ามันยากสําหรับอะไรรู้ไหมมันยากสําหรับคนที่มีสายยะมากหรือว่ามีเดรรชานมากมันยากสําหรับงั้นแต่มันง่ายสําหรับคนที่มีเชื่อของพุทธะอยู่คนที่มีเชื่อของพุทธะแล้วง่าย พรมันมีเชื้ออยู่แล้วมันพอมารับติดกระแสปับ๊บมันจะแหนยิ่งทํายิ่งทํายิ่งทําก็ยิ่งได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าต้องฝึกฝนแล้วต้องภาคเพียนเหมือนการเดรัจฉานวิชาหรือสายศาสตร์ต่างๆเขาก็ต้องไปฝึกฝนเขาก็ต้องไปภาคเพียนเราดูแล้วเนี่ยยางนั่นแหละที่เขาถ่ายมาจากภูกเหยีดก็ตามที่งานเขาลุยไฟงานกินเจบ้างอะไรบ้างปีนบันไดมีดอย่างเงี้ยนะโอ้โหคมกลิบเลยนะ ไม่ไม่ใชม่มีปลอมนะมีจริงนะคมกริบเลยแล้วไอ้ตอนที่เขาย่ำเดินผ่านกองผ่านไฟอะ่ะโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่กองเล็กๆนะแมกองยาวเลยนะโหย่ย่ำเดินผ่านถ้าให้เราไปย่ำย่ำไม่ไหวเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ไปมีศรัทธาแบบส ย, ยะหรือว่าแบบเดรัชานวิชาอย่างนั้น มันศรัทธาของเราเนี่ยมันเป็นแบบพุท ธ, ธะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมันตรงข้ามกันเลยนะเขาสามารถจะย่ำฐานไฟไปได้เขาไม่เป็นอะไรออกมาแล้วไม่เป็นอะไรเลยอ่าเราดูอย่างนั้นบางคนเอาโอ้โหเก่งเก่งเก่งนะแต่ให้ถอดรองเท้าวันวันหนึ่งเนี่ยให้ถอดรองเท้าถอดไม่ได้จะไปไหนต้องใส่รองเท้าอ้าวแต่ดูอย่างนั้นแล้วเราพวกเราไม่เก่งเลยนะพวกเราไปไหนถอดรองเท้า ดูแลเอ้มันมันมันย่ำกองไฟมันนา่าจะเก่งกว่าถ้าดูเปลือกเปลือก่ะใช่ไหมล่ะฮะ <c oughs> แต่พวกเราเนี่ยจะบางทีไปอะไรอ่ะธุรกิจไม่ไม่ใช่ไปกิจเออไปกิจข้างนอกเงี้ยใช่ไหมแต่หมายถึงว่าพวกเราที่อยู่วัดแล้วนะที่ฝึกแล้วไม่ใส่รองเท้าแล้ ว, ลวอะไรเงี้ยจะไปที่ไหนก็ไม่ใส่รองเท้าเงี้ยก็ไม่ได้ไปเดินย่าอะไรที่มันร้อนแบบถ่านไฟอ่ะนะ แต่เราก็ไปได้ไม่ไม่มีความรู้สึกสะดุ้นสะเทือนดูนะของเขาไม่สะดุ้งสะเทือนเรื่องเรื่องของก้อนฐานไฟใช่ไหมแต่ของเราไปไหนนี่ไม่สะดุ้งสะเทือนต่อสายตาของผู้ชมทั้งหลายนะที่จะเห็นว่าเออแอนนี่มันอะไรวะเนี่ยมะมามันมาจากป่าไหนเออมันถึงได้ไม่มีรองเท้าใส่ยางจนหรือยังไง เ, ออเราไม่สะดุ้งส ะ, สะดุ้งสะเทือนต่อคําที่บางทีเขาจะสบประมาทเราบ้าง หรือเขาจะตําหนิหรือว่าว่าเราบ้างใช่ไหมหรือว่าเอาอะไรนะักปฏิบัติธรรมอะไรที่ไหนดูซิสกรปรกไม่ใส่รองเท้าย่ําไปโน่นย่าไปนี่รวมไปทั้งเราไม่สะดุ้งสะเทือนไม่กลัวว่าแหมเดี๋ยวเท้าจะไม่สวยเดี๋ยวเท้าจะแตกเท้าแตกปลายป่ะจะ <c oughs> <c oughs> เหมือนเส้นถมแตกปลายอ่า เท้าแตกส้นเลยไม่ใช่เท้าแตกปลายนะมันไม่สะดุ้งสะเทือนในเรื่องที่มันจะต้องมาลักสวยลักงามเข้าใจไหมสิ่งเราเานียมันตรงกันข้ามกันเลยของพทธเรากับถือว่าอย่างเงี้ยยอดกว่าอย่างเงี้ยถือว่าดีกว่าสูงกว่าประเสริฐกว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันเข้าใจยากเห็นไหมในในในคนธรรมดาทั่วไปแต่พวกเราเรารู้ว่าโอ้โหมันถ้าพวกเราเนี่ยฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย ไม่ไม่ไม่ไมยากแต่ถ้าคนอื่นฟังยังไงเขาก็บางทีไม่เข้าใจว่า ม, มันจะไปเก่งกว่ายัางไงมองอยังไงก็ไม่เห็นเก่งกว่าเลยมองอยังไงเขาต้องว่าย่าผ่านกองไฟอย่างนั้นสิมันเก่งกว่าไอเราแค่ถอดรองเท้าได้แค่นี้ไปไหนมาไหนไม่ใส่รองเท้าแค่นี้มันจะไปเก่งกว่ายัางไงแต่ในขณะเดียวกันใช่ไหมเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยความเป็นพุทธะเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานเนี่ย เราต้องรู้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆว่าอย่างนี้แหละคือความเป็นอริยะในพุทธศาสนานะความที่มักน้อยลงมาได้ความที่สันโดษนะมาได้อย่างมีสัมมาทิฏฐินะซึ่งอันนี้เราจะต้องเรียนรู้ะเราจะ เ, าเราจะต้องเข้าใจเพราะถ้าใครเข้าใจได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าส่วนไหนเป็นคุณส่วนไหนเป็นโทษแต่นี้ก็แมมอธิบายไปไกลเลยนะ ตอนี้เรากาลังพูดถึงว่าส่วนที่เป็นโทษใช่ไหมของการเพอร้อฝันนันเลยอธิบายไปจนนั่นน่ะไปพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะคนบ้ามั่งไปพูดถึงเรื่องไสยศาสตร์มั่งก็อธิบายเลยไปนู่นเลยเอาตอนนี้ต่อลักษณะของความฟุ้งซ่านหรือความเพอ้อฝันแบบนี้แบ่งออกได้4ลักษณะด้วยกันคือพวกฟุ้งยิ้มพวกฟุ้งหมอง พวกฟ er ุงเฉยและพวกฟุงลำเส้นเออเขาก็เข้าใจแบ่งเหมือนกันนะแต่ทั้งสีประเภทบางทีอาจคิดในเรื่องของตัวเองเพียงอย่างเดียวหรืออาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นก็ได้อาดูนะเขากาลังจะบอกว่าพวกที่เพ้อฝันเนี่ยนามีสีแบบเขาบอกว่า 5.3.1 พวกฟุงยิ้มเป็นยังไงนะดูนะ เป็นการมองอดีตหรืออนาคตในแง่ที่ถูกใจตัวเองสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอาจไม่เป็นที่พอใจหรืออาจเฉยเฉยก็ได้อาจมองความสุขใจในอดีตหรืออนาคตที่ตัวเองปรารถนาบางอย่างฟูงยิ้มจึงคือการวาดวิมานในอากาศหรือปฏติดประต่อวิมานที่เคยได้มาแล้วหรือฟื้นคืนชีพขึ้นพวกเฟอ้อฝันแบบนี้ จึงจัดแบ่งเป็นสองพวกโอ้โ oh หแบ่งแบ่งฟุ้งยิมนี่อีกเป็นสองพวกนะหนึ่งก็คือพวกที่อาจเป็นไปได้ก็หมายความว่าพวกนี้กำลังเพียรทำอยู่ความสำเร็จย่อมรำไรแต่ก็วาดภาพความสำเร็จไว้ก่อนแล้วหรือไม่ได้ทำอะไรแต่ก็มีแนวโน้มที่อาจเป็นไปได้ในชีวิตของตนอ่า แบบแรกคือ possible นะคือคือเป็นไปได้นะไม่ใช่ Impossible ฟุงยิ้มในที่นี้นี่เขาหมายถึงพวกที่พูดง่ายๆว่าเราเพอ้อฝันในสิ่งที่ทอย่างที่กิจอาตมาพูดเกินไปก่อนเหมือนกันนะว่าเพอ้อฝันในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วสิ่งที่เป็นไปได้นั้นนะ่ะจะเป็นความสำเร็จของเราด้วยนะเป็น ความสําเร็จในแง่ของสุขนะในแง่โสมนัสเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยแหมมันเหมือนกันว่าอะไรสมมุติใครไปเอนทรานอย่างเงี้ยรู้สึกแหมตัวเองทําได้ทําได้ทําได้วาดฝันไว้ก่อนแล้วว่าโอ้สงสัยจะต้องติดอันดับนั้นอันดับนี้ติดที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยเพราะเชื่อมั่นว่ า, าตัวเองเนี่ยทำไปได้ดีๆทั้งนั้นเลยอย่างนี้แหละ นี่นี่นสมมติขึ้นมาเพราะฉะนั้นฝันไปถึงความสําเร็จนะของตัวเองหรือบางคนเอาว่าเรียนหนังสือไปเนี่ยเรียนไปเอาสอบแล้วอย่างเงี้ยแน่ใจมั่นใจเลยว่าโ hood คะแนนเก็บก็ดีนะเข้าห้องสอบก็ทําได้แน่ใจเลยว่าต้องสอบได้ที่ต้นๆแน่ๆเลขตัวเดียวแน่ๆเลยแต่ไม่ใช่เลขศูนยะ์ะเลขตัวเดียวเดี๋ยเลขตัวเดียวเนี่ยเอารวมเลขศูนย์ด้วย คือแน่ใจเลยว่าต้องได้อันดับดีๆแน่นอนเลยก็เลยฝันไ้ก่อน ล, นะละนัรับเป็นไปได้ด้วยนะ น, นี้ก็เรียกว่าฝันล่วงหน้าไปหน่อยหนึ่งแต่เป็นไปได้ยกขอยกตัวอย่างว่าฝันเห็นตัวเองมีบ้านใหญ่โตโอ้อานะแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วตัวเองจะต้องมีเงินด้วยนะถ้าในลักษณะนี้นะตัวเองจะต้องมีเงินหรือว่ามีฐานะที่จะทำได้ด้วยเนะี่ยถึงได้ฝันเห็นว่าตัวเองมีบ้านใหญ่โตโอ้อาหรือลงแล้ว ให้เขามาลงเสามาอะไรเตรียมสร้างขึ้นมาแล้วนะสองฝันเห็นตัวเองกําลังเดินกับแฟนแสดงว่าอะไรยังไงเนี่ยตัวอย่างอันนี้เขาหมายถึงว่าไงอ๋อยังไม่ไช่แฟนกันแต่กําลังจีบอยู่เอ่ออ่าตัวอย่างที่สฝันว่าถูกหวยโอ้ในฟุ้งในฝันหรือเป่าเนี่ย คือถ้าฝันว่าถูกหวยแต่ยังแต่ไม่ซื้อหวยนะไอ้อย่างนั้นไม่ใช่นะอันนั้น impossible นะนั่นเป็นไปไม่ได้อ่าตัวอย่างที่สีกกส่กำลังมีชื่อเสียงเกียรติยศใครใครก้มหัวเคารพศรัทธากำลังมีชื่อเสียงเกียรติยศใครใครก้มหัวเคารพศรัทธาหมายความว่ายังไงหมายความว่า ก็คนศรัทธาอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็กําลังมีชื่อเสียงอยู่แล้วอะ่ะคนก็ต้องศรัทธาอ้าวยกตัวอย่างผููแท น, น, นอ่ะคะแ<ข>นนกำลังมาคะแนนกำลังมาอ๋อว่าได้ผููแทนแน่ๆเลยนะฝันไว้เลยนะอืมอืมอืมอืมอืม อีกตัวอย่างหนึ่งฝันเห็นคนมาบริจาคเงินเข้ามูลนิธิเป็นล้านล้านเอออันนี้หมายถึงไครหรือ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งเห็นคนหลั่งไหลมาเคารพอาจารย์ของเร า, า, าโอ้อันนี้หลายคนอาจจะฝันเม้งอันนี้ฮะหลายคนอาจจะฝันมาแม่จวนหร้ยังเนี่ย คนจะมาเคารพพ่อท่านขนาดแหมล้นหลามถามจริงๆ่ะใครเคยฝันบ้างั้ยเนี่ยอันเนี้ยมีไหมมีใครเคยฝันบ้างาัหมไม่เคยเลยเหรอพวกนี้เน